รธรรมเทศนาแผ่นที่7จลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20กุมภาพันธ์ 2,558 มีชื่อเรื่องว่าทําบุญเมื่อไหร่ขอจะได้หนักใจวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบ กุมพาพันพุทธศกราช2558เมื่อวานพวกคณะสถาญาติโยมลูกหลานเห็นหลวงพ่อไม่ได้พูดอะไรเลยเมื่อวานพูดนิดหน่อยเพราะว่ามีการประชุมหารือคณะสงฆ์เกี่ยวกับ ส, สถาในวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทาง หน่วยข้างบนทั้งทหารตำรวจทั้ ง, ทงกทชามาเมื่อวานก็เลยได้กันก็เลยเข้าไปไปชุมหาลือกันที่วัดป่าบ้านตาัดฟังๆหลวงพ่อไม่ได้ไปแแต่ฟังคณะสงฆ์ที่นำมาพูดให้ฟังก็เป็นไปในทางที่ดีเรียบร้อยก็คงจะไม่มีปัญหานะ <c oughs> แล้วันนี้หลวงพ่อขอประกาศ ให้คณะัทธาญาติโยมผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่วัดป่านาคำน้อยของพวกเราหลวงพ่อก็ได้ถามท่านหน่อยพระที่เกี่ยวข้องว่าศาลาข้างในของเราจะเสร็จทันไหมสิ้นเดือนที่เราปูพื้นท่านก็บอกว่าน่าจะทันแต่ว่า จะให้เรียบร้อยร้อยเปอร์เนตนั้นก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่คิดว่าจะเก็บของเสร็จทุกอย่างใช้ได้หลวงพ่อเออขนาดนั้นก็เพียงพอแล้วละคือไม่ให้มันขอมันเกะ ก, กะจนถึงใครเข้าไปก็ไม่สะดวกไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเลื่อนไปอกีกถ้าหากว่าพอที่จะเสร็จได้อยู่เรียบร้อยเก็บของเรียบร้อยได้ หลวงพ่อก็จะประกาศให้คณะสัตย า, า, า ญ, ญาติโยมทั้งหลายเพราะบอกเมื่อปีที่แล้วนะก็เดือนกุมภาที่เราบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนพระเสียนพระพุทธรูปที่พระประธานที่นั่งทั้งขวามือของหลวงพ่อเ่แล้วก็พร้อมกันเราก็ทำบุญรวมญาติวุตทิศสวนกุศลให้กับ ผู้มีอุปกรคุณของวัดตั้งแต่เรารักตั้งแต่เราเริ่มสร้างวัดม า, เ, าเป็นเวลา30กว่าปีผู้ที่ให้ทุนทรัพย์ก็มีให้กำลังกายก็มีให้ความรู้ก็มีมากมายหลายหลายอย่างจนเป็นวัดขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะว่า ขนาดนี้ก่อนที่จะเป็นวัดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าแต่ถึงท่านเมื่อมาสร้างแล้วท่านอายุโรงโรยตามอายุสังขารแต่ลูกหลานก็ยังให้การสนับสนุนแล้วก็จะตุปปัจจัยก็ดูดูแลบำรุงพระสงฆ์มาโดยสม่ำเสมอมาถึงปานนี้แหละปูนนี่แหละ <c oughs> รานนั้นหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้าก็ย่อมลำลึกถึงพระคุณท่านเหล่านั้นที่ล่วงรับดับขันไปเราก็ไม่มั่นใจว่าจิตใจดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นไปค้่องแวะอยู่นัสถานที่ใดตกทุกข์ได้ยากอย่างไรมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองอย่างไรเราที่อยู่เบื้องหลังเราไม่ สามารถที่จะทราบได้แต่ถึงอย่างไงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้ว่าผู้มีเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลีเ้ยงท่านตอบทากิจธุระของท่านดำรงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่าน อันนี้ถึงจะไม่ใช่พ่อแม่ของพวกเราแต่ก็เป็นผู้มีอุปกรณคุณที่ได้ช่วยเหลือให้พวกเราได้รับความสะดวกสบายอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นทุนทรัพย์หรือว่ากําลังกายที่ท่านได้เสียสละพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ควรจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ปีนึงน่าจะมีครั้งหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้ เราก็ยกประเด็นของคุณแม่ชีแก้วทำบุญครบวันมรณภาพของท่านเราก็ได้ทำบุญต่อมาเมื่อเรายกไปทางโน้นเราก็ห่างเหินไปแต่ถึงยังไงวัดของเราก็คือวัดของเรา <c oughs> เพราะนั้นหลวงพ่อมาลํำลึกถึงจุดนี้นะจึงจึงได้ประกาศว่าวันที่สาม มีนาพวกเราจะเริ่มพิธีสวดมนต์เย็นและก็วันที่สี่เป็นวันมาฆบูชาพวกเราก็จะได้ทำบุญพร้อมกันกับอุทิศส่วนกุศลถึงผู้มีอุปกระ์คุณของวัดคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงาายายาศาคณาญาติญาติมิตรสหายทุกคนภูมิลุกขะเทวดา ตลอดถึงาการสู้ศึกสงครามสมัยคอมมนเนตล้มหายตายจากจนในเขตอำเภอน้ำโสมนายุงดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นผูกพยาบาทอาคาตจองเวรกันอย่างไรข อ, ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันให้ทุกดวงวิญญาณให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ไปสู่สุขติสัมป ร, รายกิกาภพบ ตามทีต่ตัวเองต้องการปรารถนาะอันนี้พวกเราจะได้ทำบุญในวันเดือนวันเดือ น, ว, น, อนวันที่สี่วันที่สามวันที่สามวันที่สี่เป็นวันมาฆบูชานะแต่นี่ที่เราทำไปนี่นะี่ยมันเป็นแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาทำไหมนะอันนี้หลวงพ่อก็จะได้ชี้แจงตามแนวแถวที่ อง์หลวงตาองค์หลวงตามหาบัวท่านก็ยกประเด็นหลักคือวันมรณภาพมันโยมมันดาของท่านที่บวชเป็นชีจากนั้นท่านก็ได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลพอต่อมาท่านก็ยกคุณแม่ของท่านโยมมันดาของท่านเป็นหลักจากนั้นก็ได้ทําบุญลําลึกคล้ายๆกับเป็นวันลําลึก วันที่โยวมบรรดา ม, มรณะภาพท่านก็ได้ทําบุญท่านก็เปิดแบบกว้างนะว่าทําบุญเปิดโลกธาตุเนี่ยพวกเราก็ได้ยินกันมาหลวงตาทําบุญเปิดโลกธาตุไอ้แค่ว่าสามแดนโลกธาตุคือกามโลกรูปประโลกรูปประโลกนเออนี่แหละอันนี้คือหลวงตาพาดําเนินพาทําบุญจากนั้นท่านก็อุทิศส่วนกุศล ต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งปวงภายในวัดขององค์ท่านเพราะนั้นพวกเราในวัดของพวกเราปีหนึ่งก็น่าจะมีสักครั้งหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าพวกเราที่มาสร้างวัดก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวที่ล้มหายตายจากไปก็มากพอสมควรนึกๆย้อนหลังดูหลวงพ่อท่าวาดพวกเราไม่ได้นึกไม่คิดนะ เนีมันผ่านผ่านไปแล้วก็แ ล, วแล้วไปแต่พ อ, พอมันนับนิ้วมือดูแล้วโอ้โหสามสิบปีให้หลังมาเนี่ยอผู้ที่มาสร้างวัดให้พวกเราได้รับความสะดวกสบายเนี่ยไม่ใช่น้อยเหมือนกันที่พวกเราพวกเราไปมาหาสู่กันรู้จักมักคุ้นกันเพราะฉนั้นปีหนึ่งพวกเราควรจะมีสักครั้งหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพะนั้นขอประกาศ ให้คณะสัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนเนอะบอกต่อๆกันในเมื่อผู้ใดได้รับทราบแล้วก็มาบอกต่อๆกันผู้ที่จะมาตั้งโรงทานก็เอาเตรียมพร้อมเตรียมการได้และก็พร้อมกันก็ทางฝ่ายพระสงฆ์ท่านหน่อยท่านรัตนะที่นิ ม, มนต์ครูบาอาจารย์ที่รู้จักมักคุ้นแถบแถบใกล้ๆเราที่มาได้นะ ถ้ามาไม่ได้ไม่ต้องนิมนต์ท่านไม่ต้องขยันขยอถ้าองค์ไหนที่มาได้ก็มาแต่ว่าจตุปัจจัยที่ได้มาหลวงพ่อก็คิดว่าจะตั้งเป็นก้อนหนึ่งเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุ ป, ปการะคุณก่อจะเอาจตุปัจจัยของวัดนั่นแหละส่วนหนึ่งถ้าคณะทศไทาญาติโยมมาร่วมทําบุญก็เออเอาถวายพระสงฆ์จากต่างวัด ที่มาร่วมแต่ในวัดของเราคนน่ะถวายครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่มาร่วมและก็พร้อมกันถ้าจะตุปัจจัยมีเป็นก้อนขึ้นมาพวกเราก็จะนำก้อนนั้นสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาเพื่อเก็บเป็นเก็บหอมรอมริบขึ้นมาถ้าพวกเราไม่ละดมทุนเป็นะระลอกละระอกก็คงจะช้าเกินไป หลวงพ่อพยายามกระตุ้นเตือนให้พวกเราได้ร่วมกันคนละมากคนละน้อยไม่ว่ากันนะแต่ไม่ต้องหนักใจที่พูดทั้งนี้ทางนั้นไม่ให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งหนักใจแต่ทําด้วยความสบายใจทําด้วยความมีความสุขใจจะได้สร้างใจดีประพิพิพธภัณฑ์ของหลวงตาแต่จะตุปัจจัยที่ปัจจัยที่กระถินที่ปีที่แล้วนะที่พวกเราทําบุญไปเงินก็เจล้านกว่าบาท อันนี้ก็อยู่ในบัญชีสงบสงบนิ่งอยู่แล้วแล้วก็เราถวายคณะทุนกระหม่อมเฉล็จมาเมื่อข่าวก่อนเราก็ให้คณะสยยัทยาธิยมมีคุณปอเพสัต์เป็นหัวหน้าคณะก็ได้นำถวายเช็คพระองค์ท่านสองล้านบาทอันนี้ก็ในนามสร้างเกดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาสรุปแล้วก็คือจตุปัจจัย ที่อยู่ในบัญชีสงบเน่งอยู่เนี่ยก็สิบล้านบาทแล้วนะคณะนะาสทายาิโยมโลูกลานเพราะนั้นที่พวกเราทำบุญแต่ละครั้งอย่างที่จะถึงเนี่ยเราจะทำบุญให้กับพวกญาติาาตโกโหติกาหรือญาติโยมของเราผู้มีอุปกรคุณภายในวัดของเราเอ่ก้อนหนึ่งล้วก็ควรจะสมทบให้ดวงวิญญาณทุกดวงในวิญญาณอนุโมทนาสาธุเนาะ พวกเราจะได้นมนำจตตุปัจจัยก้อนนี้เพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาสร้างเจดีย์ของพระหันขอให้ทุกดวงวิญญาณอนุโมทนาสาธุนะอันนี้เมื่อนั่นเสร็จแล้วเราก็จะได้นาจตตุปัจจัยเอาเข้าไปไว้เก็บทํารองไว้ใช้เพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ต่อไปแต่เจดีย์สร้างไหม อันนี้ไม่ต้องสงสยัยต้องสร้างแน่แล้วก็วันอีกไม่กี่วันนี้ก็คงจะมีการประชุมกันเอกนะอเกี่ยวกับเจดีทางจังหวัดที่ท่านผู้ว่ามาในวันนั้นกนะ็คงจะมีการประชุมหาหรือกันเป็นรอกและรอกและรอกจนกว่าจะได้ลงมือเราไม่ได้นิ่งดูดายเราไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะนั้นจะตุก ป, ปัจจัยของเราที่ได้มาเนี่ยก็เอาเราก็พยายามเก็บพร้อมลอมริบ เข้าไว้ไว้ในบัญชีกัสรุปแล้วกัอื่นน่ะไม่ทุกคนไม่ต้องหนักใจทำด้วยความสบายใจทำด้วยศรัทธาบูชาแต่มันเหลือทำยังไงถ้าหากว่ามันเหลือเราก็มีโครงการที่ว่าเมื่อมันเหลือห้าสิบล้านไปแล้วนะเราอาจจะเตรียมไว้สำหรับสร้างเจดียิพิพิธภัณฑ์ในวัดของเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพื่อ สร้างจีดีขององค์หลวงตายเหมือนกันนั่นแหะลักษณะจะเน้นทางพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อได้คิดไว้ในใจอันนี้จะสําเร็จหรือไม่อันนี้ก็ฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านเหมือนกันแต่ก็ไม่ต้องหนักใจเหมือนกันในเมื่อลุงพ่อตายไปแล้วโอ้ยปัจจัยไม่มีเอหลวงพ่อได้พูดได้ปารบเอาไว้ว่าจะสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตา จะทํายังไงคงจะคล้องหลวงพ่อก็คงจะติดใจติดอกติดใจอยู่กับมังอันนี้ก็ไม่ต้องคิดนะไม่ต้องหนักใจอีกเหมือนกันการคําคิดคำํำความคิดของหลวงพ่อเนี่ยไม่ให้เป็นความหนักใจต่อไปภายภาคหน้าคือหลวงพ่อโพดถึงไหนออกไปถ้าเป็นไปได้ก็ทําทถ้าเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องหนักใจเนี่ยอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อที่จะตุปัจจัยที่มันเหลือ บางคนก็เป็นทุกข์เป็นร้อนนะถ้าหลวงพ่อประกาศไปแล้วเนะี่ยจะตุปปัจจัยมันเหลือจะทำยังไงคือเป็นทุกข์เป็นร้อนไปอีกนะไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนหรอกเราเตรียมไว้เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาที่วัดของเราหลวงพ่อก็ได้มองดูสถานที่ไว้เหมือนกันนะนี่แหละถ้าว่าปีต่อไปเราจะเก็บทุกปีใช่ไหม จะตุปปัจจัยของเราที่วัดปานาคขานอบกระถินผ้าปานได้มาเนี่ยเราจะถวายเจดีย์ทุกปีใช่ไหมหลวงพ่อก็กะไวเ้เหมือนกันพ่อพวกเราก็มีปากมีท้องมีการบูรณะปฏิสังขรณวัดวาศาสนาพวกเราจะถวายพระเจดีย์ตลอดไปก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ปีหน้าเนี่ยปี58เนี่ยพวกเราอาจจะประชุมสงฆ์ขึ้นมาเออปีนี้เราจะเก็บไว้ เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดของเรา ท, ที่มันยังขาดตกบกพร่องอยู่หรือมีความจําเป็นวัดสาขาต่างต่าอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องได้ดูเป็นเป็นช่วงๆเป็นเรื่องๆไปแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็บอกทุกคนอีกเหมือนกันไม่ต้องหนักใจเพราะหลวงพ่อไม่ได้เน้นหนักทางด้านวัตถุเน้นหนักเรื่อง นา ม, มาธรรมเรื่องศีลธรรมเรื่องมรรคผลนิพพานอันนั้นคือหลวงพ่อเน้นหนะักแต่ทางด้านวัตถุนั้นถ้ามันมีมาเราก็ใช้ตามที่มันมีมาถ้ามันมถ้ามันไม่มีมาเราจะไปใช้ทำไมเราบินทบาทพี่น้องชาวบ้านก็ใส่บาทให้ฉันเป็นวันๆอยู่แล้วจะไปเดือดร้อนทำไมไม่เห็นจะเดือดร้อนที่ตรงไหนมันมีมาก็ใช้ตามที่มันมีถ้ามันไม่มีก็หยุดไว้ก่อน อันนี้คือชีวิตนักพจนักบวชการทำเชิงไหนก็ตามอย่าให้คนอื่นเรือด้อนทำตนให้เขาเลี้ยงยากทำตนให้เขาเลี้ยงง่ายชีวิตของพวกเร า, เ, าเมื่อเรามีมากเราก็ใช้ทำมีน้อยเราก็ใช้ไม่มีไม่มีเราก็ไปใช้ทำม่เราก็หยุดใช้นี่แหละอันนี้ขอฟังไว้นะ ลูกน้องลูกหลานของหลวงพ่ออินนะอยไปกระเสือกกระสนทางด้านวัตถุทางด้านวัตถุนะพอเป็นพอไปได้แล้วก็พอดูบุญบา ร, รมีของตนเองอย่าไปแข่งคนอื่นเขาเราเป็นสาวกจะไปแข่งพระพุทธเจ้าได้ยังไงเราเป็นสาวกจะไปแข่งโมกคลาสาลิบุตรได้ยังไงเราเป็นสาวก ปลายแถวเราจะเป็นแข่งอัครสิทธิมหาสาวกได้อย่างไรมันเป็นขั้นตอนมันเป็นบุญบารมีของแต่ละท่านแต่ละคนเห็นคนโบราณเขายังบอกว่าเห็นช้างขี่ขี้ขตามช้างนะั่นมดมันขีดก้อนเล็กๆเนี่ยจะไปหาขี้ก้อนใหญ่เหมือนช้างได้อย่างไรเอสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องมองตนเองอย่าหลงอย่าลืมตนเองให้หาตนเองถ้าหาตนเองเจอแล้วก่อนนะรู้จักสถานะของตนเอง เราอยู่ในสถานะไหนสมควรปฏิปัติตนอย่างไรในทางด้านวัตถุนะแต่ทางด้านจิตใจแล้วอย่าไปอยู่อย่าไปท้อถอยอย่าไปอยู่กับที่เตัวนั้นถีบเต็มที่เลยจะทำยังไงจึงจะพุ่งเออให้ถึงมรรคผลนิพพานไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกลมหายใจเข้าออกทุกริยบทเห็นอนิจจังทุกขงังเห็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นกายเห็นใจเห็นใจเห็นกา ย, เ ห, เ, ยเห็นกายเห็นใจเอเห็นกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่ไม่มีวันที่จะหนุ่มไปข้างหน้าอย่างหลวงพ่อนะ่ะปีนี้เจ็ดสิบนะดูสิออีกสักกี่ปีเนะี่ยต่อไปหลวงพ่อจะต้องได้ใช้ไม้เท้าต้องได้ใช้รถเข็นอจากนั้นหลวงพ่อจะนอนอยู่กับเตียงอยจากนั้นก็ ลูกหลานก็คงจะได้หยอดข้าวต้มป้อนข้าวอจากนั้นลุงตาลุงพ่อก็จะได้นอนหลับลืมตาผับผับกระยับกระเยื่นขาไม่ได้อต่อมาลุงพ่อก็จะลุงพ่อก็จะหมดลมจากนั้นลูกหลานทั้งหลายก็เอาไปเผาไฟใช่ไหมลุงพ่อคิดถึงขนาดนั้น่ะใช่ไหมไม่ต้องถามคนอื่น ไม่ต้องถามคนอื่นใช่ไหมหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินถามหลวงพ่ออินใช่ไหมหลวงพ่ออินเป็นลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่ออินว่าชายเป็นอย่างนั้นแหละหลวงพ่ออินเลยไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากนั้นหรอกเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในกรอบของมันทั้งหมดนั่นแหละใ ห, ให้รู้เท่ารู้ทันให้รู้ตัวเองมองตัวเองเห็นตัวเอง นั่นหละอย่าหลงตนเองนั่นะเลิศประเสริฐที่สุดนะเราอยู่ในสถานะไหนทําดีที่สุดก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเพราะนั้นขอพูดฝากไว้กับคณะเจาท า, ายญาติโยมลูกหลานทุกคู่ทุกคนต่อนนี่อไปพระสงฆ์จานุโมทนาให้พร